บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปทิฏฐิวิสุทธ์คือความหมดจดแห่งทิฏฐิอันได้แก่ความเห็นนั้นเพื่อเป็นการแก้ความรู้สึกที่ทางพระพุทธศาสนาใช้คำว่าวิปลาสคือคลาดเคลื่อน ไม่ตรงต่อหลักความเป็นจริงความเห็นที่วิปลาสนั้นเริ่มต้นมาจากสัญญาวิปลาสคือความจําหมายที่คลาดเคลื่อนก็กลายออกมาเป็นจิตวิปลาสคือความคิดที่คลาดเคลื่อนและเปลี่ยนเป็นทิฏฐิวิปลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนซึ่งหมายความว่าความจํา、ความคิด และความเห็นโดยขาดการปัญญาเป็นหลักพินิษพิจารณานั้นถือว่าคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงอย่างแท้จริงที่มีอยู่เป็นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นที่กล่าวมาในวันก่อนนั้นคือเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามด้วยการยึดถือในสองลักษณะคือยึดถือแบบรวบถือ เป็นชิ้นเป็นอันไปกับแยกถือแต่ละส่วนของสิ่งเหล่านั้นแล้วเกิดการการกำหนดหมายว่ารูปรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนั้นน่าจับต้องเป็นต้นเมื่อเกิดความคิดเห็นในลักษณะนี้ก็จะกระตุน้นกิเลสสายโลภะคือความโลภราคะความกำหนัดจินดีในอารมณ์ต่งตางๆให้เพิ่มขึ้น จนจิตเกิดความกสันอยากในอารมณ์เหล่านั้นนั้นเรียกว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะเยอทยานอยากแข่งใจพระพุทธศาสนามีหลักการที่จะบรรเทาจนถึงกับดับตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายจึงได้สอนให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูสิ่งนั้นนั้นเองแต่ใช้ปัญญาเข้ากำกับเข้าพินิจพิจารณา เมื่อบุคคลได้ดูสิ่งเหล่านั้นโดยประจักษ์ชัดแล้วก็จะเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปในอดีตปัจจุบันอนาคตอย่าละเอียดเละระนิดไกลใกล้กลเป็นต้นกระตมัมล้วนแล้วแต่การประกอบขึ้นของส่วนต่างๆมีขันทตดอาญตนะเป็นต้นไม่มีความไม่สวยไม่มีความสวยงาม อย่างแท้จริงปรากฏจุดในสิ่งเหล่านั้นความสวยงามจึงเป็นเรื่องของจิตที่กำหนดหมายด้วยอำนาจสัญญาวิปลาสท่านั้นเองก็จะสามารถบรรเทาให้ความรู้สึกในสายโลภและราคะเบาบางลงจนถึงกับหมดไปในที่สุดได้แต่นั้นในจุดนี้เองจึงกลายเป็นกรรมฐานอีกระดับหนึ่ง ที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเริ่มมาจากตอนต้นนั้นบางครั้งก็สวงใช้ให้การกำหนดหมายซึ่ใหม่ที่เรียกว่าอสุภสัญญาคือการกำหนดหมายหเห็นความไม่สวยไม่งามที่มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นซึ่งการกำหนดหมายในลักษณะที่นี้ก็ดูในจุดซึ่งเคยกำหนดหมายว่าสวยงามนั่นเอง ตามปกติแล้วมักสอนให้ดูส่วนที่เป็นรูปซึ่งสามารถสัมผัสได้ด้วยตาเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อดูไปด้วยใจยที่สงบแล้วกําหนดพินิษพิจารณาได้ง่ายผิดกับรสผิดกับกลิ่นผิดกับเสียงเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาดูบางครั้งก็สอนให้ดูในที่กายของตน โดยแยกกายออกเป็นธาตุสีบ้างแยกกายออกเป็นอาการสามบสองบ้างหรือว่าดูเฉพาะส่วนที่ปรากฏแก่สายตา อ, อันมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังแล้วแยกดูในส่วนที่เป็นรูปร่างเป็นกลิ่นเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้นพิจารณาไปในแต่ละจุดแต่ละจุด จนเกิดประจกัะจกษ์ชัดด้วยปัญญาขึ้นมาภายในจิตความกำหนัดความยึดติดในกายตนก็จะเบาบางลงไปแต่การกำหนดพินิษพิจารณาด้วยอสุภสัญญาวิธีนี้จะต้องอาศัยหลักของโยนิโสมนสิกาคือทำไว้ในใจด้วยอุบาลแยบขายเพราะบางครั้งบางคราวผู้พินิษพิจารณาเมื่อเห็น ความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายแล้วก็เกิดขยะขยงจนถึงหวาดกลัวความปฏิกูลสกปรกในร่างกายและอาจจะทำลายร่างกายของตนได้อย่างที่เคยปรากฏมาแล้วในสมัยพุทธกาลดันั้นเรื่องของสอสุภาษสัญญาคือการกำหนดหมายเห็นความไม่สวยไม่งามจึงต้องมีสติปัญญาความเพียรเข้ากากับอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ความคิดพินิจพิจารณาหักเคออกไปสู่ความรุ่มหลงง ม, มงายถ้าหากว่าบุคคลผู้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณามองไม่เห็นความปฏิกูลในส่วน น, นั้นๆก็ส่งสอนกรรมาฐานไว้อีกกลุ่มหนึ่งคืออสุภะสิบประการหรือในมหาสติปัฏฐานสูตรเรียกว่าป่าช้าทั้ง9ก้า ได้แก่การดูซากศพซึ่งตายแล้วตั้งแต่วันหนึ่งไปและมีความเปลี่ยนแปลงปรากฏอยู่ในซากศพเหล่านั้นการดูจะดูในช่วงใดก็ได้ตามปกติแล้วมีข้อแม้ว่าถ้าจะดูซากศพไปดูซากศพที่เริ่มเปื่อยเน่าไปแล้วและไม่ให้ดูซากศพของเพศจงกันข้าวซึ่งมีวิธีการสมบก ร, รมฐานข้อนี้ไปโดยเฉพาะ แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเพื่อมองความจริงที่แท้จริงของชีวิตของรูปธรรมทั้งหลายที่มีการกำหนดหมายว่าสวยว่างามนั่นเองว่าที่แท้จริงแล้วไม่ได้มีความสวยงามแต่ประการใดและกรรมฐานที่สอนในลักษณะคือกูลต่อความคิดเห็นเป็นสวยเป็นงามในสิ่งทั้งหลายนั้น เช่นพวกอาหารเรปฏิกูลสัญญาคือดูความปฏิกูลของอาหารซึ่งเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเมื่อบุคคลพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่าอาหารซึ่งนำเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายที่กำหนดหมายกันว่าสวยงามนั้นแท้แต่จริงแล้วมีความปฏิกูลอยู่ในตัวก่อนที่จะปรุงเป็นอาหารก็ไม่อาจจะรับประทานได้มีกลิ่นมีรสชาติน่าขยะขยง เมื่อปรุงเข้าไปแล้วในช่วงที่ยังปกติอยู่ก็พอรับประทานกันไปได้แต่ในขณะที่รับประทานไปถ้าหากว่าบุคคลพิจารณาตามไปก็จะเห็นความปฏิกูลปรากฏอยู่ในอาหารเหล่านั้นหรือเมื่อการเวลาผ่านไปไม่มากนะักอาหารเหล่านั้นก็บูดก็เสียซึ่งจะเห็นความปฏิกูลได้ทั้งสามช่วงคือช่วงก่อนจะปรุงเป็นอาหารและช่วงที่ ปรุงแล้วตลอดถึงช่วงที่อาหารได้ผ่านการเวลาไปแต่การพิจารณานั้นได้สอนให้ดูรายละเอียดลงไปในเรื่องนี้ทจะถามว่าเพื่ออะไรก็เพื่อจะบรรเทาความกำหนัดความยึดติดในกายตนและกายบุคคลอื่นเพื่อเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ได้ถูกหล่อเลี้ยงดำรงไว้ด้วยของปฏิกรูณานาประกรัน บางครั้งได้สอนในพิจารณาลึกซึ้งลงไปจนถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในร่างกายอันได้นามว่าอาหารนั้นเป็นการทับถมหมักหมมของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายดูแล้วเหมือนป่าช้าขนาดใหญ่ที่เป็นที่ประชุมของชีวิตสัตว์ต่างๆเป็นนันมากบางครั้งก็ให้ดูเหมือนถุงของเหมือนถังสมัรับใสของสกรปรก ที่ปรากฏอยู่ในร่างกายของเรานั้นบางคราวก็ให้พิจารณาในลักษณะที่ให้พริกกลับออกมาเกิจะเห็นว่ามีความปฏิกูลปรากฏอยู่บ้าด้วยกันทั้งนี้เพื่อจะพยายามบรรเทาความจำหมายในลักษณะดังกล่าวแล้วทำไมจึงสอนให้พิจารณาโดยนิยะเป็นนั้นมากก็เพราะว่าตามปกติแล้วจิตนั้นเกิดอยู่ในอะไรคือกามกุล มีความหมกมุ่นสยบติดยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ตันหากระซิบบอกใจเอาไว้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงกลับกลายเข้าหาความถูกต้องนั้นเป็นไปได้ยากกรรมฐานแต่ละข้อที่ทรงสอนจึงเป็นกรรมวิธีที่จะสลายความยึดติดในรูปเหล่านั้นแม้แต่การกำหนดพิจารณาการแยกออกเป็นธาตุก็เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน เมื่อบุคคลมองเห็นได้ในลักษณะนี้อาการของจิตที่เคยบังคับให้ตาขูจมูกลิ้นกายใจสายไปเพื่อสนองตอบความต้องการของตนก็จะเบาบางลงไปซึ่งทรงใช้คำว่าอินทรียสุสังุตังก็จะเกิดความสำรวมระวังในอินทรีย์ทั้งหลายคือหมายความว่า เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิมรสกายถูกต้องโทธภาและใจตรึกนึกถึงอารมณ์นั้นเมื่อเข้าใจถึงอารมณ์คือรูปเป็นต้นอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่รู้จะอยากดูอยากฟังอยากเขียนอยากลิมอยากถูกต้องไปทำอะไรพรล้วนแล้วพอล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งปฏิกูลทั้งหมด ในด้านของความสึกนึกเองซึ่งถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่จะกระตุ้นกิเลสาสายนี้ให้บังเกิดขึ้นได้แก่เมื่อจิตยังลงสู่กามวิตกคือสึกนึกไปด้วยอำนาจความใคร่ในวัตถุกรรมทั้งหลายคือ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผูตปะดังกล่าวแล้วก็สามารถใช้สติบรรเทายับยังวิตกเหล่านั้นเอาไว้ เพราะความคิดนี้เองเป็นตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจจนกลายเป็นจิตตวิปลาดดังที่กล่าวแล้วคือความนึกคิดจะมองเห็นเป็นสวยเป็นงามไปทั้งหมดพระบุมีพระพักเจ้าเมื่อได้จัดสรูปไให ม, ใหม่ได้พิจารณาตรวจสอบดูพระทัยของพระองค์และกิเลส ท, ที่พระองค์ได้ละไปก็ได้ประจักษ์ชัดว่าตัวการที่กาหนด ให้เกิดความกำหนัดยินดีในอารมณ์ต่างๆจนต้องวิ่งไล่ตอบสนองความต้องการของตนไม่มีที่สิ้นสุดนั้นแท้ที่จริงแล้วเกิดจากความดำ่รินี่เองจึงในรับสั่งเป็นทํานองพุทธอุทานว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นตัวเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำ่รินี่เองต่อแต่นี้ไปเราจกไม่ดำ่ริถึงเจ้าอีกแล้ว ซึ่งก็หมายความว่าถ้าไม่ดำริถึงไม่นึกถึงความฟูขึ้นของจิตในลักษณะนี้ก็มีไม่ได้ถึงแม้จะมีอยู่ก็จะมีอยู่อย่างสงบไม่เกิดขึ้นมากรุ่มรุมใจไม่ถึงกับเป็นพิษเป็นภัยแก่ความสงบใจของบุคคลนั้ น, น, นเมื่อเกิดการสัารวมระวางอินทรีย์ขึ้นเช่นนี้แม้แต่การดำรงชีวิต การตอบสนองความต้องการของตนในส่วนที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งชั้นของการดำรงชีวิตนั้นต้องมีอยู่แต่จะรู้จักกำหนดที่ตัวประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นขอเพียงแต่สมเร็จป ร, ประโยชน์ก็ถือไปใช้ได้แล้วเฉพาะในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าโภชเน ส, สุสังมุตังคือจะรู้จักประมาณใน การบริโภคพัฒตาหารเมื่อบุคคลรู้จักประมาณในการบริโภคพัฒตาหารรู้จักประมาณในการดูประมาณในการฟังประมาณในการรับประทานประมาณในการสุดดมประมาณในการถูกต้องก็กำหนดไว้เฉพาะที่ตัวประโยชน์เท่านั้นเมื่อเห็นว่าสำเร็จประโยชน์ก็ยุติเพียงแค่นั้นจิตถึงแม้จะยังสายอยู่บ้าง แต่ก็จะไม่สายจนเกิดความสับสนขึ้นภายในจิตใจของตนความเพียรพยายามของบุคคลเพื่อรู้แจ้งธรรมะเพื่อละอกุศลก็จะบังเกิดขึ้นทรงใช้คำว่าสัท์ทางอารัฐวีรยังคือศรัทธาความเชื่อจนปรากฏขึ้นภายในจิตทงจิตของผู้ปฏิบัติให้มีความผ่องใส เพราะมาเข้าใจถึงสัจธรรมที่พระมีพภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในขณะนั้นจิตใจของบุคคลก็จะเกิดความผ่องใสปรากฏขึ้นเมื่อความผ่องใสปรากฏขึ้นแล้วก็จะปรารจกความเพียรริเริ่มในการที่จะละบาปละอกุศลละกิเลส ท, ทั้งหลายตลอดถึงการกำหนดหมายความนึกคิดและทิฏฐิ ที่เคยวิปลาสคลาดคเคลื่อนจากความเป็นจริงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักของความเพียรที่ทรงแสดงไว้นั้นไม่ว่าจะเริ่มขึ้นมาในจุดใดก็ตามในที่สุดความเพียรพยายามซึ่งเป็นปลายทางกายและทางจิตของบุคคลนั้นก็จะเข้าสู่หลักของสมาวายามะคือความพยายามในชอบ ซึ่งหลักการในชั้นนี้ทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสีระดับด้วยกันระดับแรกคือสำรวมระวังเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นเพื่อป้องกันส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นส่วนใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ปล่อยให้ผ่านเข้ามาสู่จิตการทำงานของจิตที่อาศัยความเพียนในลักษณะนี้จึงเปรียบเหมือนกับเจ้าของบ้าน ที่มีแขกมีอาคันตุกะมาสู่บ้านของตนก็ดูเสก่อนว่าเป็นใครเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูถ้าหากว่าเป็นมิตรก็เปิดประตูบ้านให้เข้ามาถ้าหากว่าเป็นศัตรูก็ไม่ยอมให้เข้ามาเมื่อบุคคลปฏิบัติได้เช่นนี้ศัตรูก็ไม่อาจจะทำลายหรือสร้างสิ่งที่เป็นอันตรายให้เกิดขึ้นได้มิตรก็จะทำหน้าที่เกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ชูแก่ตน ในท่านที่สองนั้นทรงใช้หลักของการเพียรพยายามที่จะละบาปละอกุศลละกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งการละนั้นจะเห็นได้ว่าละด้วยการกำหนดหมายเสียใหม่คือความจริงเป็นอย่างไรก็กาหนดหมายอย่างนั้นเมื่อการกำหนดหมายถูกตรงตามความเป็นจริงความคิดของบุคคลก็จะถูกตรง เมื่อความคิดถูกตรงความเห็นก็จะถูกตรงวิถีชีวิตของบุคคลก็จะดำเนินเข้าสู่คันลองแห่งธรรมะการกำหนดละบรรดากิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจจึงอาศัยการมีสติมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันต่อกิเลสในขณะนั้นๆเป็นประการสำคัญหมายความว่าเวลาใดที่ใจเป็นเหี่ยนึกใจเปตรึกนึก ด้วยอำนาจความกำหนัดความรักใคร่ความยิน ด, ดีในอารมณ์ทั้งหลายสติก็ทำหน้าที่ระลึกรู้ว่านี่เป็นอกุศลวิตกปัญญาก็เข้าไปตัดกระแสของอกุศลเหล่านั้นสติก็ไประลึกไปกำหนดหมายในอารมณ์ที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่จิตเป็นไปเพื่อความสงบระงับจิตการปฏิบัติการต่อสู้กันในสนามคือจิต ระหว่างกุศลกับอกุศลก็มีการต่อสู้กันในลักษณะนี้การพยายามปฏิบัติเพื่อละสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นอกุศลโดยเฉพาะในที่นี้คือการกําหนดหมายความคิดและความเห็นที่วิปลาสไปนั้นก็ทรงสอนให้ทำไปโดยลำดับในลักษณะขัดเกลีเป็นการก้าวขึ้นไปทำนองเดียวกับการขึ้นบันไดเมื่อขึ้นไปทีละก้า ก็ได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่แต่ละก้าวที่ได้เดินคิดไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลผู้นั้นปรารถนาการต่อไปก็คือการเพียรพยายามสลายบรรดากิเลสบรรดากุศลเหล่านั้นด้วยการสร้างธรรมะสร้างกุศลธรรมไปทำหน้าที่ขัดเกลาวไปทำหน้าที่สลายความขุ่นข้นความเศร้าหมองภายในจิต คือความกําหนดหมายความคิดและทิฏฐิดังกล่าวนั้นให้เจือจางลงไปจนกลายเป็นอสุภสัญญาคือความกําหนดหมายเห็นความไม่สวยไม่งามจิตความคิดของบุคคลก็จะคิดเห็นในด้านที่เป็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นความเห็นก็จะถูกตรงตามหลักที่เป็นวิปัสสนาญาณคือความรู้ความเห็นที่แจ่มแจ้ง และกุศลคือความดีอันใดธรรมะอันใดที่บุคคลปฏิบัติแล้วมีแล้วสัมผัสแล้วก็เพียงพยายามรักษาเอาไว้แม้เสื่อมถอยไปด้วยกรรมวิธีการปฏิบัติในลักษณะนี้เมื่อดำเนินไปโดยลำดับแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจถึงความแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นสูงขึ้นดังนั้นความกำหนดหมายในลักษณะที่คาดเคลื่อนของนามรูป เกิดขึ้นด้วยสุภาสัญญาคือกำหนดหมายว่าสวยงามต่งางๆก็ทรงสอนในลักษณะน้ําบงน้ําคือให้กาหนดหมายเสียหมายว่าเป็นสุภาสัญญาโดยการใช้ปัญญาใช้สติเป็นตัวระลึกเป็นตัวกาหนดรู้และเข้าไปตัดกระแสความคิดเหล่านั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติได้เช่นนี้สุภาพัญญาที่เคยบัง ไอ้ความปฏิกูลน่าเกลียดเหล่านั้นกค่อยๆเจือจางลงไปซึ่งการปกการปกปิดความไม่สวยไม่งามในลักษณะนี้เข้าทำ น, นองคล้ายๆกับว่ามีสิ่งสกปรปลกอยู่แต่บุคคลเอาผ้าเอาเสื่อเป็นต้นไปปิดบังไว้เมื่อบุคคลพยายามดึงผ้านั้นออกมาหรือดึงเสือนั้นออกมาก็จะเห็นความปฏิกูลสกปรปลก ที่ปรากฏอยู่ภายใต้ผ้าและภายใต้เสือเหล่านั้นจิตใจของบุคคลที่เกิดกำหนดหมายไปในธรามนองให้เกิดวิปลาสก็มีลักษณะอย่างนั้นจึงทรงสอนให้ใช้ปัญญาเข้าไปพินิพิจนาดูในรูปที่ให้เป็นอสุภะชัญญาคือกำหนดหมายเห็นความไม่สวยไม่งามแล้วต่อแต่นั้นวิธีของความคิดจิตใจของบุคคลก็จะเดินไป เข้าสู่การสํารวมระวังอินทรีย์รู้จักประมาณในการเกี่ยวข้องกับกามคุณทั้งห้าประการเหล่านั้นบางเกิดศรัทธาเชื่อมัน่นในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และที่สำคัญก็คือตัวไตรสิกขาได้ แ, แก่ศีลสมาธิปัญญาที่ทรงแสดงเอาไว้ความผ่องใส ก, ก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตน เมื่อความผ่องใสปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตแล้วบุคคลก็จะดำเนินไปสู่หลักของสมาวายาะคือความพยายามในทางที่ชอบจิตใจของบุคคลก็จะมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ต่งตางๆซึ่งทรงอุปมาเห็นว่าเป็นเหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวต่อลมที่พัดมาจากคิดทั้งสี่ชนั้น ซึ่งหมายความว่าผู้ขอเหล่านั้นก็เป็นการเกาะกลุ่มของมวลแต่ชิ้นเล็กๆ เ, เมื่อมีการเกาะกลุ่มมากเข้าในที่สุดก็กลายเป็นความแข็งแกร่งมั่นคงไม่หวั่นไหวจิตใจที่เกิดความมั่นคงเข้มแข็งไม่หวั่นไหวก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการเกาะกลุ่มของเหตุผลของสติปัญญา ที่เพิ่มพูนขึ้นมาโดยลำดับโดยลำดับและเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วก็สามารถคุ้มครองจิตเอาไว้ได้เวลาประสบกับอารมณ์คือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกรมกรลิ่นลิ้ น, นริมรสกายถูกต้องโุธตะภะนั้นซึ่งตามปกติแล้วถ้าหากว่าใจเริ่มต้นจากการกำหนดหมายว่าสวยงา ม, งามก็จะหวั่นไหวไปตามความสวยความงามอยู่เรื่อยไป มีการกำหนดหมายรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนั้นน่าจะต้องแล้วกำหนดไปอย่างนี้เรื่อยไปลักษณะเหมือนปริงหรือที่คืบคลานไปโดยลําดับแต่เมื่อเริ่มต้นการกําหนดหมายเช่ใหม่คือกําหนดหมายว่าไม่สวยไม่งามกระบวนการแห่งธรรมะต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นดังที่กล่าวแล้วจิตใจที่มีความเข้มแข็งในลักษณะนี้ก็คงประสบกับอารมณ์ทั้ง5ประการเช่นเดิม แต่เนื่องจากได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตใจจึงไม่หวั่นไหวไม่คล้อยตามไม่เกิดความปรารถนาที่จะไปเกี่ยวข้องสยบติดยอมให้สิ่งเหล่านั้นบังคับใช้ตนอีกต่อไปซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะเห็นได้ว่าในระดับหนึ่งในชั้นหนึ่งนั้นบุคคลสามารถสัมผัสได้เช่นในสมัยเป็นเด็กเคยเล่นตุ๊กตาพอเข้าใจถึงภาวะที่แท้จริงของตุ๊กตา หลังจากได้เติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้ใส่ใจในตุกตานั้นอีกต่อไปหรือคนที่เคยเล่นการพระนันเคยสูบบุหรี่เคยดื่มเหล้าเมื่อเข้าถึงความจริงในเรื่องเหล่านั้นเลิกละได้แล้วเห็นใครสูบบุหรี่เห็นใครเล่นการพนันเห็นใครก็ดื่มเหล้าหรือแม้แต่เห็นเหล้าอย่างดีเห็นบุหรี่อย่างดีจิตใจก็จะไม่หวั่นไหวไม่อยากสูบไม่อยากดื่มไม่อยากเล่นเช่นเดียวกันจัดนั้นซึ่งหมายความว่าในชั้นหนึ่งนั้น ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่กรอบด้วยปัญญาสติและความเพียรซึ่งบุคคลใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนั้นบุคคลได้สัมผัสผ ล, ผลในชั้นนั้นแล้วและเมื่อปฏิบัติสูงขึ้นสูงขึ้นความรู้ความเข้าใจก็จะมากกิ่งขึ้นจิตใจก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวเช่นเดียวกับภูเขาสิลามีแท่งทึบซึ่งไม่หวั่นไหวต่อลมที่พัดมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ฉนั้นพระรีเจ้ากับปุตุชน ประสบอารมณ์เช่นเดียวกันคือตาเห็นรูปเช่นเดียวกันหูฟังเสียงเช่นเดียวกันแต่ตัวแปรที่สำคัญคือจิตจิตของปุทุชนมีการกำหนดหมายว่าสวยงามพระรีเจ้านั้นสำรอกความกำหนัดความยึดติดความพอใจในอารมณ์ทั้งหลายออกไปได้แล้วแม้จะเห็นรูปฟังเสียงชนิดเดียวกันในขณะเดียวกันแต่ว่าจิตใจของท่านจะไม่หวั่นไหวคือไม่พอใจ ไม่รังเกียจไม่เกิดทุกโทมนัตไม่เกิดความอยากได้ใครดีในอารมณ์ทั้งหลายท่านจะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเพียงสักเทวรูปเพียงสักเทวะเสียงเพียงสักเทวะกลิ่นเพียงสักเทวะรสเพียงสักเทวะสัมผัสเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่อาจจะทาความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจให้บังเกิดขึ้นได้อย่างที่ทรงแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรว่า ลาบยศสันเสริญสุขหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกนั้นเกิดขึ้นแก่พระเดจจ่ากับปุตุชนเหมือนกันแต่พระเดจจ่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นท่านเกิดรู้เท่าทันทันทีว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาก็หยุดความคิดเพียงแค่นั้นแต่ปุตุชนไม่ได้เตรียมใจไว้อย่างนั้นเพราะไม่รู้แจ้งเช่นนั้น จึงเกิดความเป็นทุกข์โทมนัดอยากได้ใครดีในอารมณ์ทั้งหลายจนถึงกับเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ร่ำไร้เพราะความพลาดพลากจากสิ่งที่ตัวต้องการเป็นต้นดังนั้นการปฏิบัติในลักษณะนี้จึงเริ่มต้นมาจากจุดที่ให้กำหนดหมายในลักษณะที่เป็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นคือกำหนดหมายเห็นความไม่สวยไม่งามก็จะคิดเห็นว่าไม่สวยไม่งามจริง ความเห็นก็จะเห็นถูกตรงตามหลักที่ทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้ทิฏฐิคือความเห็นของบุคคลนั้นจะค่อยๆมีความสะอาดไปโดยลำดับจนถึงเข้าเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ์คือความหมดจดแห่งทิฏฐิต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป